บทที่1814รับะพินมองค้นหาไปรอบๆก็ไม่เห็นวี่แววว่าเจ้าคนพนเนจรผู้ลึกลับจะอยู่ในละแวกใกล้เคียงจึงออกเดินเลาะไปตามทานน้ำที่พวกครานพื้นเมืองลงไปหาปลาขึ้นมาเป็นอาหารซึ่งไหลเอื่อยออยลงไปสู่เบื้องต่ำระหว่างสองฝากตลิ่งที่ปกคลุมไปด้วยสุมทุมพุ่มพฤกษ์ท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบร่มรื่น ได้ยินแต่เสียงน้ำไหลซาะแก่งหินอยู่ริกๆละคนกับสำเนียงเสียงนกและลมพัดกิ่งไม้ไหวอยู่เบาๆตาอันเฉียบไวก็สำรวจตรวจตราไปทุกระยะต่อมาก็แยกจากลำธารสายนั้นตัดขึ้นละเมะฝั่งตรงข้ามสังเกตพื้นดินและภูมิประเทศไปเรื่อยๆในรัศมีประมาณหนึ่งรอยเมตรล้อมรอบที่พักจนเป็นวงกลมออกจะช ง, งนเล็กน้อยที่ไม่เห็นร่องรอยอะไรของแง่ทรายเลย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 สลับไปกระเนินเขาเตี้ยๆมีสภาพชุ่มชื้นอยู่ตลอดทุกฤดูการไม่มีรอยของสัตว์ใหญ่ให้ค้นพบนอกจากแก้งกวางและจากการไต่ขึ้นไปบนเนินสูงลูกหนึ่งใช้กล้องส่องเขาเห็นตามไหล่เขาเล็กๆบางลูกเต็มไปได้วยกล้วยป่าออกเครือดกสุขคาต้นเป็นดงของนกมีรวงพึ่งหลวงขนาดใหญ่ทำรังอยู่ตามคาคบไม้ที่อุดมไปได้วยกาฝาก ส่วนทุ่งราบบางส่วนก็ขึ้นหนาแน่นไปด้วยต้นกกยญกาขนลูกเดือยและก็ข้าวกล้องเราก็มีใครมาทำราร้ไว้เว้นระยะห่างๆจึงจะมีต้นไม้ใหญ่สูงตระงานอันมีลักษณะเหมือนฉัดยักษ์ตักอยู่เป็นประธานท่ามกลางหมู่ไม้เล็กๆสักต้นหนึ่งเป็นต้นไม้ที่ไม่รู้จักและไม่เคยเห็นมาก่อนสักครึ่งต่อครึ่งสาหรับชีวิตพรานเจนไพรเช่นเขา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 โดยไม่ทราบว่ามันหายตัวไปไหนแล้วเขาก็ไม่สนใจอะไรนะักเพราะมันเป็นธรรมชาติโดยปกติของเจ้านันอยู่แล้วในการที่จะเร้นตัวหายไปตามลำพังขณะเมื่อวางแคมป์ที่พักซึ่งมาถึงเวลาก็จะกลับมาเองแล้วระพินก็พลอยหลับไปอย่างง่ายดายรู้สึกตัวตื่นขึ้นอย่างพรวดพราดด้วยความตกใจผู้ที่เขย่าปลุกเขาพร้อมกันทั้งเรียกชื่อและล่ํา ล, ลักคือช ย, ยันระพินระพิน ตองเด้วก็เรื่องพิสดารขึ้นแล้วตองเล้วท่ามกลางความมืดที่มา่านตาของเขาทางกว้างขึ้นมาพบนอกจากชายันผู้ปลุกแล้วก็เห็นเงาตะคุ่มของเชษฐาดารินและมาเรียกำลังสุดคุกเขา่ารุมล้อมอยู่รอบกายเสียงคนเหล่านั้นเรียกเขาให้แซดไปหมดอะไรครับทั้งๆ ท, ที่ยังมึนงงต่อเหตุการณ์เขาหลุดปากร้องถามออกไปปืนสิคุณ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 ระพินเอื้อมมือไปทางด้านศีรษะที่นอนของเขาซึ่งตามปกติแล้วมันเป็นด้านที่เขาวางไรเฟิลประจำตัวไว้ก่อนนอนทุกครั้งแล้วใจหายว่าจุด 4-5-8 หแมดกหน่ำของเขาอันตรธานไปซะแล้วเอ๊ะพรานใหญ่อุทานหนักๆในลำคอแล้วช่วยได้ไฟฉายทะลันขึ้นยืนฉายกราดไปยังบรรดาพวกลูกหาดอันเป็นพรานพื้นเมืองทั้งหลายซึ่งบัด น, นี้ยังนอนเรียงรายหลับสนิทอยู่ เชิดขาก็โดดเข้ามาจับแขนเขาไว้กระพินผมตรวจ ด, ดูแล้วไม่เฉพาะแต่ของพวกเราเท่านั้นนะที่หายไปแม้ของพวกนี้ก็หายไปหมดเหมือนกันแต่เจ้าพวกนี้ยังไม่รู้สึกตัวนอนหลับเป็นตายเราก็ยังไม่ได้ปลุกเขาแต่มาปลุกคุณก่อนน่ะพรานใหญ่ ย, ยืนตะลึงเอ้ยผมงงไปหมดแล้วนะครับเป็นไงมาไงกันเนี่ยแล้วแล้วใครรู้สึกถึงสิ่งผิดปกตินี้เป็นคนแรกแล่ะครับฉันฉันเอง ฉันเองดาลินบอกกระหืดกระหอบสีหน้าของราชสกุลสาวและทุกคนเต็มไปด้วยความตื่นระหนกระคนพิศวงฉันตื่นขึ้นมาเมื่อหยกยกนี่เองดาลินมันมันเย็นน่ะเห็นมันมืดแล้วกองไฟดับก็เลยคิดว่าจะลุกขึ้นมาปลุกบุญคำให้ก่อไฟก็พอพอเอื้อมมือไปหยิบไรเฟ้นที่วางไว้ข้างตัวรู้สึกว่ามันหายไปฉันถึงได้ส่องไฟฉายดูก็ปรากฏปืนของพี่ใหญ่ ของชา ย, ยันแล้วของเม่ก็หายไปอย่างลึกลับฉันก็เลยปลุกขึ้นมาสอบถามทุกคนก็ตกใจไปหมดเพราะจําได้ว่าวางไรเฟินไว้ข้างๆตัวก่อนนอนก็ไม่ได้เอา ไ, ไว้ห่างตัวเลยอะ่ะจึงลุกขึ้นมาช่วยกันตรวจส่องไฟดูก็เลยพบว่าแม้แต่ปืนของคุณและพวกพลานพื้นเมืองทุกคนก็หายไปทุกกระบอกเลยแล้วก็ช่วยกันปลุกคุณขึ้มาเดี๋ยวนี้แหละกระพินไพรวันยืนนิ่งหยุดลมหายใจไปชั่วขณะ ในคำบอกเล่านั้นรู้สึกเหมือนฝันไปยังไม่สามารถลำดับเหตุการณ์ใดๆ ไ, ได้ทั้งสิ้นเสียงไก่ปาขันอยู่เชื่อแจ้วแววมาตามลมและท้องฟ้าฟากตะวันตกก็ปรากฏดาวรุ่งทอแสงอยู่วาววามเหนือยอดไม้เขากะได้ในทันทีว่ามันเป็นเวลาประมาณหนาฬิกาเศษใกล้จะสว่างแล้วอีกครั้งหนึ่ง ที่เขาแลปลาดไปยังกลุ่มพรานพื้นเมืองที่ยังนอนคุดคู่กันอย่างสบายโดยไม่รู้สึกตัวประสาทสัมผัสบอกได้ในทันทีนั้นว่าขาดจานวนไปคนหนึ่งเงยสายแน่นอนแต่ฝ่ายนายจ้างดูเหมือนยังไม่สำเนีจอในขณะนี้เขาตรงเข้าไปใช้เท้าเขี่ยปลุกทั้งหกคนขึ้นมาอย่างรีบด่วนการพื้นเมืองคู่ใจทั้งสี่ของเขากับส่างปลาและขยินลุกงวงเงียขึ้นมายังยังไม่อยากจะตื่นแต่พอได้ยินสิ่งที่พรานใหญ่บอก ทุกคนก็หายง่วงเป็นปริทิ้งเ็นรวดพลาดขึ้นมาอย่างชุลมุนพอรู้แน่ชัดว่าปืนประจำตัวหายไปพวกนั้นก็โวยวายโอลหมันกันไปหมดไอ้ไอ้ไอ้เงาซ้ายก็หายไปด้วยสินายมันมันหายไปไหนละนายบุญคำร้องลั่นเมื่อ น, นั้นเองฝ่ายนายจ้างของเขาจึงเพิ่งจะหันมาค้นพบว่าเจ้าคนใช้พิเศษของคณะไม่ได้ไปปรากฏตัวอยู่ในกลุ่มด้วยจริงด้วยสิระพิน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 เรามาช่วยกันสํารวจก่อนดีกว่าครับว่าอะไรของเราหายไปบ้างในที่สุดเขาก็พูดขึ้นแผ่วต่ำทุกคนตรงเข้าไปสํารวจที่กองสัมภาระส่วนกลางและของใช้ส่วนตัวในคันทีอย่างรีบด่วนแข่งกับเวลาครูเรียก็รู้ผลสิ่งที่หายไปก็คือ 1. งแงท า, ายพร้อมทั้งสมบัติส่วนตัวของมัน 2. เงปืนไรเฟิล และลูกซองของเราทั้งหมด10กระบอก 3. หีบเครื่องกระสุนอันเป็นส่วนกลางทั้งหมดและ 4. ระเบิดทั้งหมดสาหรับของส่วนตัวของแต่ละคนก็เอาเป็นว่าลองตรวจค้นกันดูเองละกันว่ามีอะไรหายไปบ้างช้ยันซึ่งคุมบัญชีส่วนกลางอยู่ร้องบอกออกมาในการตรวจสอบสมบัติส่วนตัวของแต่ละคนไม่พบว่ามีอะไรขาดหายไปปืนสั้นติดตัวของชายันเชษฐาและดาริน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 แต่ของเหล่านี้ก็อันตรธานไปพร้อมๆกับตัวแงซายเหมือนกันไม่มีปัญหาแล้วละนายไอแงซายออกลายชัดให้เราเห็นแล้วเดี๋ยวนี้เองมันทรยศหักหลังเราขโมยปืนกับกระสุนส่วนใหญ่ของเราไปจนหมดละนายเสียงบุญคำกับพวกพลานพื้นเมืองของราพินขบเคี้ยวเคี้ยวควันร้องบอกมาพร้อมกับพรุตสวรรสาศ a b r า a แช่งครุมเต็มไ ป, ไปได้วยความโกรธแค้น แต่รพินโบกมือให้คนเหล่านั้นสงบปากคำลงอีกครั้งดาริงยืนบีบขมัดหลอนตกอยู่ในภาวะมึนงงประหลาดใจสุดที่จะกล่าวได้มาเรียลงนั่งบนขอนไม้เอามือเท้า่างซอยเปลือกตาอยู่ทีทีส่วนชา ย, ยันมีความรู้สึกเหมือนบุญครำกับพวกพลานพื้นเมืองทุกคนสบดสร์แช่งอยู่ในลำคอนี่เราจะต้องใช้ความคิดอ่านปริศ น, นาครั้งนี้ให้ดีนะ สิรราชสกุลสาวบอกมาอย่างเตือนสติทุกคนถึงยังไงเซหลอนก็ไม่มีวันเชื่อเป็นอันขาดว่าแงา่ทรายจะทรยศหรือมู่ร้ายใดๆมันเป็นเรื่องที่ประหลาดที่สุดนะอยู่ๆแง่ทรายก็หายไปปืนเครื่องกระสุนและ ว, วัตถุระเบิดของเราก็พลอยหายไปหมดแต่ปืนสั้นของเรากลับยังอยู่ก็ถ้าเขาคิดจะหักหลังตัดอำนาจการป้องกันตัวของพวกเราออกไปทั้งหมด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 เนาสายเพียงตัวคนเดียวนะ่ะจะมีปัญญาแบกปืนยาวทั้งสิบกระบอกหีบกระสุนแล้วก็หีบระเบิดซึ่งหนักหลายสิบกิโลไปได้ยังไงถูกแล้วมันเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องคบคิดอยู่ในขณะนี้ตามที่ราชสกุลสาวพูดอืมน้อยพูดถูกละมาเรียเอ่ยขึ้นเป็นครั้งแรกภายหลังจากนั่งงงต่อเหตุการณ์อยู่นานเราควรจะพิจารณาให้รอบคอบด้วยนะว่า เหตุการณ์เหล่านี้นะม pues <Yes. S 1> ันเกิดขึ <t> ้นได้ยังไงถูกละมันเกิดขึ้นในระหว่างที่พวกเราทั้งหมดหลับสนิทเป็นตายกันทีเดียวเราเริ่มนอนกันตั้งแต่ตะวันเพิ่งจะบ่ายแล้วก็นอนติดต่อโดยไม่รู้สึกตัวกันมาจนกระทั่งตื่นเอาใกล้รุ่งดี๋ยวนี้ทํำไมระยะเวลานอนพวกเราจึงนานผิดปกติโดยไม่มีใครรู้สึกตัวตื่นขึ้นก่อนหน้านี้บ้างมันออกจะผิดปกติอยู่ไม่ใช่เหรอ ที่เรานอนติดต่อกันรวดเดียวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า15ชั่วโมงเต็มๆคนอื่นๆน่าอาจเผลอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียจริงแต่พรวันกับพวกพรานพื้นเมืองทุกคนคงจะไม่ยอมหลับเป็นตายตลอดระยะเวลาอันยาวนานเช่นนี้หรอกนะคำพูดของมาเรียทำให้พรานใหญ่เอกใจขึ้นทันทีนั้นเขาถลันปราดตรงไปที่กองไฟซึ่งใช้ย่างปลาเมื่อตอนบ่ายนี้พร้อมกับเรียกขยินและบุญคำเข้าไป ส่งภาษาพูดอะไรกันอยู่เบาๆฝ่ายนายจ้างทั้งสามคนฉายไฟและรื้อคนตามเท้ากองไฟนั้นต่อมาบุญคำก็ก่อไฟขึ้นอีกครั้งอย่างรีบด่วนบนซากเท้าแห่งเดิมพอเปลวไฟเริ่มแลบเลียและส่งควันกลุ่นขึ้นแกก็ร้องออกมาว่านายควันรมให้หลับยังเหลือเชื่ออยู่เลยนาย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 นี่แปลว่าแง่สายเป็นคนวางยาอย่างนั้นเหรอดารินสวนมาโดยเร็วก็ทําไมใช่แง่สายจะมีใครอีกแล้วครับในบรรดาพวกเราทุกค น, นรมเราให้หลับเพื่อจะขโมยปืนยาวของเราทั้งหมดแล้วหนีไปอย่างนั้นเหรอหล่นร้องเสียงสูงก็รูปการมันก็บอกชัดอยู่แล้วนี่แง่สายทำอย่างนั้นทำเพื่ออะไร ผมก็ยังเดาไม่ถูกในขณะนี้ครับแต่ผมกล้า ย, ยืนยันได้ว่าแงซายเป็นคนรมยาให้เราหลับและเป็นเหตุโดยเจตานาที่จะทำให้ปืนยาวเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดของเราหายไปจากที่นี่ครับแต่ผมคิดว่าพอจะบอกได้นะชัยยันพร่งออกมาอย่างแค้นเคืองมันทรยศไงหนีพละจากเราไปแถมไม่ไปเฉยเฉยเสือเอาเอาวุธส่วนใหญ่ของเราไปด้วย เพื่อการตัดกำลังอย่างน้อยที่สุดก็ทําให้เราหมดอํานาจในการตามล่าตัวมันได้ต่อไปนี้มันแอบดักสองเราคว่าไปทีละคนทีละคนจะทําเมื่อไหร่ก็ทําได้ไม่มีทางสู้มันได้เลยนี่นี่นี่ใช้สมองให้มากมากหน่อยสิชยันดารินขัดขึ้นโดยเร็วสีหน้าของหล่อนไม่เชื่อตามความเห็นชอบของชยันแต่ก็เต็มไปด้วยข้อพิศวงอันสุดที่จะหาคําตอบด้วยตัวเองได้ ถ้าเป็นอย่างที่เธอว่าข้อแรกเธอตอบฉันได้ไหมที่เงยสายทรยศนะทรยศเรื่องอะไรวิค ห, หวังอะไรจากการทรยศของเขาคนเรามันต้องมีจุดมุ่งหมายก่อนจะทําอะไรลงไปชายันพยายามขมวดคิว้วคิดแต่ก็ยังตอบไม่ได้ดารินกล่าวต่อไปจากข้อที่สองที่เธอว่าต่อไปมีเงยสายอัดดักฆ่าเราเชเมื่อไหร่ก็ได้นะ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 ท่านมันตะบุญคำกว่าพวกนั้นไปได้รวพีนท่านหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นคุณแน่ใจใช่ไหมว่าเฮซายมีเจตนาที่จะรมควันสะกดเราเพื่อแผลหนีแล้วก็ขโมยปืนเราไปครับผมแน่ใจเช่นนั้นครับใช้ช่วงระยะเวลาที่เรานอนหลับติดต่อกันถึงสิบห้าสิบหกชั่วโมงเป็นเวลาปลอดในการทำการอย่างนั้นเหรอครับ มันก็เป็นระยะเวลาอันเหลือเฟือเกินพอทีเดียวแล้วครับคุณเชื่อเลยหรอพินว่าลำพังแงซายเพียงคนเดียวจะแบกปืนยาวทั้งสิบกระบอกกระสุนแล้วก็หีบระเบิดไปได้ครับผมก็สงสัยตรงนี้แ่ะครับเอาเป็นว่ารอให้สว่างก่อนผมจะออกตรวจบริเวณอีกครั้งนี่มีหลักฐานพอให้พิสูจน์ได้บ้างไหม ว่าเงาทรายขนของเหล่านี้ของเราหนีออกจากที่นี่ไปเมื่อเวลาประมาณสักเท่าไหร่รพินกัดริมฝีปากเหลียวไปรอบๆกายขณะนั้นบริเวณที่พักสว่างเป็นลำด้วยไฟฉายหลายอันที่ช่วยกันส่องกราดอยู่ไปมาทั้งตามพื้นและตามแนวป่ารอบด้านมันก็ยากที่จะรู้ได้นะครับถ้าเราหลับกันในระยะเวลาติดต่อกันนานหรือเกิน พื้นที่บริเวณที่พักของเราก็เป็นดินปนกรวดแห้งสนิทไม่ปรากฏร่องรอยอะไรทั้งสิน้นและไม่สามารถจะแยกออกว่าเป็นรอยใดเก่ารอยใดใหม่ในระหว่างรอยเท้าของพวกเรากันเองที่ย่ำไว้สับสนก่อนแล้วเชี่ยถามกวักมือร้องเรียกทุกคนที่เห็นหน้ากันอยู่ในขณะนี้11ชีวิตเข้ามาล้อมวงประชุมพร้อมหน้าแล้วถามขึ้นว่าอ่ะทุกคนคิดให้ดีนะ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 คือครั้งสุดท้ายยังเห็นแง่ทายนั่งย่างปลาและร่วมกินรวมกลุ่มอยู่ด้วยต่อจากนั้นเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้านายให้พักผ่อนได้ทุกคนก็ลงนอนและหลับสนิทไปหมดไม่ทันสังเกตว่าก่อนนอนนั้นแง่ทายอยู่ที่ไหนและได้เข้ามานอนพักด้วยหรือเปล่าและระหว่างที่หลับก็เป็นการหลับรวดเดียวตลอดไม่มีใครตื่นขึ้นมาแม้แต่คนเดียวจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายที่ถูกปลุกวพวดพลาดขึ้นมา โดยพานใหญ่เดี๋ยวนี้นั่นเป็นสภาพการอย่างเดียวกันกับฝ่ายนายจ้างทุกคนก็คงมีระพินเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เห็นเขาเงื่อนจากแง่ายเป็นคนสุดท้ายขณะที่พวกคุณชายและเจ้าพวกนี้นอนพักระพินบอกอย่างพยายามทบทวนเหตุการณ์ตอนนั้นนะผมออกไปสำรวจรอบๆบริเวณก็เริ่มจะรู้สึกแล้วเหมือนกันครับว่าแง่ายหายหน้าไป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 กลับมาก็ยังไม่เห็นแง่ทรายอยู่นั่นเองจนกระทั่งคุณนอนแล้วก็หลับไปอีกคนนึงใช่ไหมชยันไล่เลียงเพื่อค้นหาเวลาการหายตัวไปของแง่ทรา ย, ายให้ใกล้เคียงความจริงที่สุดครับไม่เห็นครับและจะเป็นเพราะอะไรมาบังความรู้สึกนึกคิดไว้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับอีกตอนนั้นผมไม่เฉลียวคิดอะไรเลยทั้งสิน้นบางทีมันอาจจะเป็นเพราะความง่วงและเพลียก็ได้ผมมานึกทบทวนได้เดี๋ยวนี้เองครับว่า ผมรู้สึก ง, ง่วงผิดปกติเหมือนพวกเราทุกคนขณะที่ผมกลับเข้ามาถึงแคมป์และล้มตัวลงนอนน่ะมันครับคล้ายครับคล้าว่าพวกเราคนอื่นๆคงจะหลับไปก่อนแล้วละ่ะถ้างั้นดารินพูดช้าๆขณะที่ยกมือขึ้นจับปลายคางสีหน้าของหล่อนใช้ความใคร่ครวญหนักหน่วงถ้างั้นก็น่าจะแปลว่าตอนนั้นแง่ทายยังไม่ได้หนีออกไปจากที่นี่ก่อนน่ะ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 เวลาที่เราหลับสนิทกันทั้งหมดนะประมาณสักเท่าไหร่นะเพราะนั้นผมคิดว่าไม่ควรจะเกินเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะครับเงซายรอบใส่ ย, ยารมเข้าไปในกองไฟระหว่างที่เรานั่งย่างปลากันกินน่ะเหรอครับนั่นน่าจะเป็นโอกาสอันดีที่สุดนะครับที่พวกเราไม่ทันเฉลียวคิดเลยเพราะเงซายเองก็เป็นคนก่อไฟแล้วก็เป็นคนดูแลไฟอยู่ตลอดเวลาเท่าที่ผมจาได้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 มันก็ศักดิ์สิทธิ์พอๆกับยานอนหลับในโลกวิทยาศาสตร์การแพทย์ของคุณหญิงนั่นแหละอาจจะดีกว่าซะอีกสิเพราะใช้รมโดยควันไฟไม่ให้รู้ตัวยาของคุณหญิงนี่ยังจะต้องให้ด้วยวิธีกินลืมนั่นแหละครับตอนที่เราทําศึกกระเผ่าสังเขียวเจ้ามนุษย์กินคนพวกนั้นก็พยายามจะเล่นงานเราด้วยยาสะกดแบบนี้แต่แงซายก็มียาแก้ไว้ได้ไอ้เจ้ายาชนิดนี้เนะ่ยมันอาจมีเตรียมติดตัวไว้ก่อนแล้ว หรือแอบไปหาไปทําขึ้นในขณะที่เดินทางมาด้วยกันนี่เมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนั้นแหละครับไม่น่าเลยไม่น่าจริงๆราชสกุลสาวบนภายหลังจากอึง้งอยู่ครู่ฉันไม่เข้าใจเจตานาของเขาเลยนะ ท, ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ได้ประสงค์ร้ายกับเราความจริงมีอะไรแง้ซรายก็ควรจะบอกให้เรารู้พูดกันได้นี่นะ อีกอย่างหนึ่งก็เป็นคนเจริญเจริญด้วยกันแล้วมันจะเจริญสักแค่ไหนมันก็ทําตัวเป็นคนลึกลับมาแต่แรกแล้วแล้วก็ลึกลับอยู่ตลอดไปผลนห่งความลึกลับของมันก็ปรากฏเราเห็นชัดแล้วเดี๋ยวนี้เองถึงจะไม่ประสงค์ร้ายอย่างที่เธอว่าก็ไม่น่าจะประสงค์ดีหรือทําอะไรที่เป็นคุณกับพวกเราทุกคนอกในการทําแบบนี้คิดดูทีชีวิตกลางภัยเถื่อนแบบนี้ ปืนคือปัจจัยสำคัญที่สุดไอ้จะอยู่หรือตายมันก็ปืนนี่แหละแล้วมันก็กวาดของเราไปเกลี้ยงเป็นการตัดมือ ต, ตัดตีนกันเลยมันจะเอาอยัางไงของมันแน่วันเนี่ยจะหนีไปเพื่ออะไรของมันเราก็ไม่ว่าแล้วจะเสือกเอาปืนของเราไปทั้งหมดไปทำไมของมันมีติดมืออยู่กระบอกนึงจะเอาไปก็เฉพาะกระบอกนั้นสิวะมันก็อาจจะจริงอย่างที่ช้ยเวียนว่าเหมือนกัน ท่านหัวหน้าคณะสนับสนุนความคิดของชา ย, ยันเป็นครั้งแรกเพระาะไตรตรองแล้วมองไม่เห็นช่องทางใดที่จะให้เข้าใจได้มากไปกว่านี้แง่ทายมีแผนอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะเพียงแต่ว่าเรายังอ่านแผนของเขาออกหรือไม่ออกเท่านั้นแหละแล้วแผนชนิดนั้นเขาไม่บอกให้เรารู้ล่วงหน้าซะด้วยสิรวมทั้งไม่แคร์ด้วยว่าเราจะคิดยังไงต่อเขา มาเรียกล่าวเปลยๆขึ้นอย่างเป็นกลางพร้อมกับกวักมือเรียกสังปลาเข้ามาสั่งให้ส่งซองปืนสั้นของหล่อนที่เคยมอบให้สะพายไหลไว้มาให้ <c oughs> ก็ยังดีนะที่ยังอุตส่าห์เหลือปืนสั้นไว้ให้บ้างบางทีอาจจะเอาไว้เรายิงตัวตายแล้วมั้งหล่อนกล่าวต่อไปพร้อมกับหบัวเราะเบาๆอย่างมีอารมณ์ขันจัดการตรวจนับกระสุนเท่าที่เหลืออยู่จากัดจาเขีย่ยแล้วยักไหลบอกต่อมาอีกว่า กระสุนปืนสั้นของฉันเหลืออยู่แค่สิบสองนัดเท่านั้นเองฝีมือยิงปืนสั้นของฉันก็ไม่ค่อยจะเข้าท่านักหรอกอนุศนจากสเตเก้นสามีแก่ผู้แสนดีของฉันนี่ระพินคุณรู้สึกยังไงมั่งเธาธานี่ยเชษถาถามตรงๆจ้องหน้าเขาจอมพรานยิ้มแแค้นก็รู้สึกว่าสถานการณ์ของเราเนี่ยมันขับขันใช่แล้วละครับ เป็นความคับขันที่เกิดขึ้นยังไม่รู้สึกแล้วก็คิดไปไม่ถึงซะด้วยชีวิตของพวกเราทุกคนต่อไปนี้ก็ฝากไว้กับปืนสั้นและกระสุนเท่าที่เหลืออยู่นี่แหละเอาเป็นว่าก่อนอื่นตรวจปืนและกระสุนก่อนกันเะครับทั้งหมดตรวจปืนสั้นส่วนตัวและกระสุนโดยเร็วผลปรากฏออกมาว่าเชษฐาเหลือ15นัดชัยันเหลือ18นัดระพิน35นัดจากยามหลังของเขาเป็นกระสุนขนาดเดียวกันหมดทั้ง3ากระบอก คือจุด44ม็กดารินเหลือจุด357อยู่30นัดติดเข็มขัดกระสุนลูกกรดจุด22 lr 1กล่อง50นัดและจุด22 m a กอีก1กล่อง50นัดเหมือนกันในย่ามหลังเหล่านั้นก็เป็นกระสุนไรเฟิลประจำมือเท่าที่ติดตัวอยู่เพียงคนละไม่กี่นัดซึ่งบัด น, นี้ดูจะไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงสำหรับพวกครานพื้นเมืองมีดาบเดินป่าติดตัวกันอยู่ทุกคนซึ่งคนเหล่านี้ไม่ค่อยจะเดือดร้อนอะไรนะัก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 ที่ทิ้งไว้ให้สภาพของทั้งคณะสิบเอ็คนยามนี้ก็คือลุงนั่งล้อมปรึกษากันเป็นวงกลมพวกพรานพื้นเมืองก่อไฟขึ้นใหม่อีกกองนึงสว่างโชดช่วงไม่มีใครคิดจะหลับนอนกันอีกต่อไปแม้ว่าจะยังไม่สว่างก็ตามอะเมื่อเราอ่านพฤติกรรมของแง่ทายไม่ออกในครั้งนี้ เราก็ไม่อาจทําน า, ายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใกล้ๆนี้ได้ทั้งสิ้นนะเชษฐากล่าวแก่ทุกคนในระหว่างหารือกันอย่างเคร่งเครียดรู้กันอย่างเดียวเท่านั้นว่ามันเป็นลางร้ายมากกว่าลางดีตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกคนระวังตัวทุกฝีก้าวสําหรับรบพินเนอยเพิ่งออกตรวจหาร่องรอยอะไรในขณะนี้ก่อนทั้งสิ้นจนกว่าจะรอให้สว่างมองเห็นอะไรชัดๆซะก่อน จึงก็เชื่อว่าคงจะได้เข้าเงื่อนอย่างแน่นอนแงานซายหายไปทั้งคนปืนยาวอีกสิบกระบอกรวมทั้งวัตถุระเบิดและกระสุนหนักหลายสิบกิโลมันจะไม่ทิ้งหลักฐานร่องรอยอะไรไว้บ้างก็ย่อมจะเป็นไปไม่ได้ละพี่ใหญ่คะว่าแต่ตอนนี้เราจะทำยังไงกันต่อไปละเนี่ยน้องสาวถามอย่างจนปัญญาแงาซายก่อความระสำนระสายให้แกคณะสละ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 ตอนนี้เรายังวางแผนอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละผมสังหอนอยู่ตลอดเวลาแล้วละ่ะว่าสักวันหนึง่งไม่ช้าก็เร็วแง่สายจะต้องสร้างเรื่องยุ่งยากให้กับพวกเราและในที่สุดมันก็เป็นความจริงเป็นความผิดของผมเองนะครับที่ทั้งๆตลอดเวลาไม่เคยวางใจแง่สายสนิทเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังอุตสาหพลาดเสียทีจนได้สิ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 แต่อำนาจในการป้องกันตัวของเรานถูกขีดให้จำกัดลงซะแล้วไงเมื่อปราศจากไรเฟิลและวัตถุระเบิดทุกคนรู้จักแง้ซรายดีแล้วนี่ว่าเขาเป็นระดับไหนพื้นฐานเช่นไรคนคนนี้ย่อมจะไม่ทำอะไรอย่างด้อยปัญญาหรือตื้นเขินเกินไปหรอกไม่ว่าเขาจะมีเจตนาในด้านใดต่อเราแล้วหล่อนก็เอื้อมือมาสกิดเขาจอมพรานผู้นั่งนิ่งขึงอยู่พูดต่อไปว่า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 ชั่วไม่นานนักจากความเงียบสงัดโดยปราศจากสิ่งใดรบกวนครานใหญ่ก็หวนระลึกถึงพฤติการย้อนหลังของเหตุการณ์ตอนหนึ่งระหว่างเขากับแง่รายขึ้นมาได้อย่างแจ่มชัดเขาเบิกตาโพลงอยู่ในเงามืดทุกประโยคแห่งคำพูดโต้อตอบที่เขาไม่ได้สนใจเก็บมาคิดจดจำไว้จนกระทั่งเหตุการณ์มันได้เกิดขึ้นสมจริงในคืนนี้จึงนึกขึ้นมาได้โดยการพยายามทบทวน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 คือเพียงแต่ชมเท่านั้นไม่ได้คิดจะแตะต้องเอาไว้เป็นสมบัติใดๆเลยจากสัจจะที่เราให้ไว้กฤรสรีกลธัญะมีอะไรที่คุณถามเราถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นเหรอผู้กองเชษถาถามมาครับมีมากทีเดียวครับคุณชายรู้สึกว่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เราเผชิญอยู่ในขณะนี้ซะด้วยสิอ่ะก็ว่าไปสิเชิดากัชยันบอกมาพร้อมกัน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 ระพินเว้นระยะการเล่าของเขาไปขนะหนึกดวงตาทั้งคู่รีลงทุกคนที่ล้อมฟังอยู่ในขณะนั้นชั้นคอหูพึงจ้องเขาตาไม่กระพริบเล่าต่อไปสิกระพินแง่ท า, ายพวกคุณยังไงต่อไปท่านหัวหน้าคณะกล่าวโดยเร็วตอ น, นั้นผมก็ได้ถามแง่าสายว่าทำไมมีเหตุผลยังไงจะต้องแยกกันก็เพื่อความปลอดภัยของเราทุกคนสิครับ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 เพราะมันจะเกิดปัญหาอะไรอะไรขึ้นหลายอย่างผมบอกให้ผู้กองรู้ไว้คนเดียวเป็นส่วนตัวเท่านั้นแหละครับครับนี่แหละครับคำพูดของแงาทรายในคืนนั้นซึ่งผมไม่ได้สนใจเก็บมาคิดจดจำไว้เลยก็เพิ่งจะหวนนึกขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้เองอีก4คนเบิกตากว้างเงี่ยหูฟังตะลึงงันกันไปหมดผู้กอง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 เมื่ออยู่กันตามลาพังกับผมสองต่อสองแง่ทรายมันจะพูดอะไรที่ผมพิจราราว่ามันเพ้อเพ อ, อยู่เสมอแล้วครับแต่มันก็ไม่เห็นบอกไว้ในครั้งนั้นให้ชัดเจนด้วยว่าไม่แยกตัวพละไปมันจะต้องสับ ป, ปะโดนขโมยปืนและวัตถุระเบิดของเราไปซะด้วยแล้วก่อนหน้าจะพละไปก็ไม่ได้แพร์พรอะไรให้รู้เลยถ้างั้นนี่คือนั่นแง่ า, ายจะต้องพูดอะไรกับคุณอีกมากทีเดียวนะ ดารินเริ่มเปิดฉากซักอย่างตื่นเต้นกระตือรือร้นครับคืนนั้นมันพูดจนกระทั่งผมฟังเสียงของมันง่วงหลับไปเองแัแหละงั้นก็เล่าไปละเอียดเลยเท่าที่คุณจำได้เขาพูดอะไรกับคุณอีกบัางฉันรู้สึกว่าคุณจะปิดบังอะไรพวกเราไว้มากทีเดียวนะเกี่ยวกับแง่ทรายนะีไม่ทันจะขาดเสียง ซ, ซักซ้ายไล่เลียงของดาริน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 แล้วก็อีกด้านอีกด้านหนึ่งล้อมรอบทิศไปหมดเป็นเสียงสัญญาณเป่าเขาพร้อมกันก็เริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าของสัตว์ประเภทตีนกีบเหาะย่างสบัดขนคอและเสียงร้องนั่นคือเสียงมาแน่ละ่ะไม่ใช่เพียงตัวหรือสองตัวหากแต่เป็นกองร้อยจากนั้นก็เป็นเสียงตบเท้ายำมาตามพื้น